สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบทแห่งความเชื่อพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนิยามของความเชื่อความเชื่อคืออะไรในฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งได้ตอบคําถามครับว่าความเชื่อคืออะไรความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้นะครับความมั่นใจ เป็นความรู้สึกแน่ใจนะครับแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงพี่น้องครับนี่คือนิยามของความเชื่อผมจานให้ฟังครั้ง น, นึครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงพี่น้องครับอะไรที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงคาตอบก็คือแผ่นดินสวรรค์อีกคาตอบนึงก็คือน้ำพัไทย ของพระเจ้าหรือพระสัญญาของพระเจ้าที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้ติดค้างไว้ในข้อที่สามครับฮิบรูบทที่สิบเอข้อที่สามนะครับความว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลาปัจรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์เนะครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับกาลาปักรวาลนั้นมักถูกใช้นะครับศัพท์คำนี้มักถูกใช้หมายถึงยุคสมัยต่างๆ หรือรวมถึงความหมายของนิรันการนะครับแล้วก็ความหมายที่แปลว่าสร้างนะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างมีความหมายว่าจัดกระเบียบหรือทําให้สมบูรณ์จัดเรียงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ครับทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นหลักการนี้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพบหลักฟิสิกส์อะตอมครับนะครับที่เรียกว่าอะตอมบิกฟิสิกส์นะครับถูกค้นพบตรงนี้ เราเห็นว่าสสารหรือที่เรียกว่ามเตอร์นะครับที่เรามองเห็นนั้นประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สสารนะครับโปรดฟังครั้งนั้นครับในวิชาฟิสิกซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสาน้นเรารู้ว่าสสารที่เรามองเห็นนั้นประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สสารคนก็จะถามว่าสิ่งที่ไม่ใช่สสารนั้นคืออะไรคำตอบก็คือพลังงานครับนักฟิสิกแห่งศตวรรษที่ยี่สิบเพิ่งมาเข้าใจว่าอานุภาคของ สิ่งต่างๆของวัตถุนั้นนะครับซึ่งปรากฏเป็นโครงสร้างอะตอมจริงๆแล้วเป็นพลังงานมากกว่าสสารยกตัวยอย่างเช่นอิเล็กต r o n ไม่มีใครเคยเห็นอิเล็กต r o n นะครับไม่สามารถที่จะค้นพบได้ว่าอิเล็กต r o n นั้นมีรูปร่างอย่างไรแต่อิเล็กต r o n นั้นถูกเรียกว่าอนุภาคอนุภาคที่มีประจุครับที่มีประจุลบนะครับในขณะที่โปรตอนนะครับมีประจุบวก และในขณะที่นิวตรอนมีประจุเป็นกลางเพราะฉะนั้นกล้องจุลทรรศในสมัยนี้ที่ทรงพลังที่สุดก็ยังไม่เคยเห็นอิเล็กตรอนนะครับเห็นแต่แค่ผลลัพธ์ของมันเท่านั้นก็คือแบบเดียวกับอนุภาคต่างๆนะครับอนุภาคต่างๆของนิวเคลียสของอะตอมหนึ่งนิวตรอนโปรตอนนะครับซึ่งได้ถูกค้นพบแล้วว่ามีขนาดจิ๋วมากเล่งนีเล็กกว่านั้นครับก็คือควาร์กนะครับควาร์กเพราะฉะนั้น สิ่งต่างเหล่านี้ครับได้รวมกันขึ้นมาแล้วกลายเป็นระบบสุริยะที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นระบบจักรวาล น, นะครับพี่น้องครับระบบสุริยะต่างๆนั้นก็มีขอบเขตนะครับเป็นขอบเขตที่มีขนาดจิ๋วของพลังงานที่รวมกันเป็นสส า, ารเพราะฉะนั้นเมื่ออนุภาคต่างๆเหล่านี้ถูกแยกกันนะครับก็จะกลายเป็นพลังงานแล้วก็ถูกเชื่อมกันก็จะกลายเป็นสส า, ารมีการปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมานะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์นั่นเองพี่น้องครับหลายศตรวรรษก่อนที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะมาถึงความรู้นะครับในสมัยนี้ก็ถือว่าได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ความรู้ที่เรามีอยู่นั้นก็ยังถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ใหญ่ๆนะครับที่เรายังค้นไม่พบพี่น้องครับส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของสสารก็คือพลังงานพลังงานสามารถเปลี่ยนเป็น สสารได้สสารก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้นี่คือเอมซีแพร์ซึ่งเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์เมื่อกลับมาถึงพรชนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าสิ่งอัศจรรย์ของพระชนะของพระเจ้านั้นก็คือว่าพชนะของพระเจ้านั้นไม่เคยขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เลยพี่น้องครับสิ่งที่มองเห็นจึงเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นหมายความว่าสสานั้นเป็นผลเกิดจากพลังงาน ดังครับเมื่อเปรียบเทียบกับพระเจนะของพระเจ้านะครับการทรงสร้างสสารหรือการทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วยเกิดมาจากพระเจ้าตรัสออกมานะครับพระเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นเหตุที่ทาให้เรารู้ว่าเป็นความจริงได้มีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงในแง่ที่ว่าสสารพลังงานมีความเชื่อมโยงกันในขณะที่ คริสเตียนนั้นเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยการทรงตรัสของพระองค์หลายศตวรรษนะครับที่ผมเรียนมาแล้วก่อนที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะมาถึงความรู้ตรงนี้นะครับพระเนะของพระเจ้าก็นิยามไว้แล้วครับพระเจ้าทรงสร้างด้วยคําตรัสที่ออกมาจากพระโอษฐของพระองค์การทรงสร้างและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในนั้นนะครับก็มาจากอีกมิติหนึ่งซึ่งต่างจากที่ถูกสนิฐานกันโดยทั่วไปพี่น้องครับนักฟิสิก มาถึงความรู้ดังกล่าวโดยการสังเกตแต่คนของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายเท่าใจมันและยอมรับมันโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อในแง่หนึ่งง่ายครับเพราะว่าเชื่อนะครับแต่ในแง่หนึ่งยากสําหรับคนที่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นกั้งแต่ข้อที่สี่เป็นต้นไปนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่านี่คือหอคอยแห่งความเชื่อหรือ Hall of Fame นะครับ Hall of Fame ของคนที่มีเฟสนะครับก็คือความเชื่อเป็นก็เรียกว่าหอคอยนะครับหรือเป็นหอทรงเกียรติหออันทรงเกียรติของผู้ที่มีความเชื่อประกอบด้วยบุรุษและสตรีแห่งความเชื่อตลอดหลายศตรวรรษผู้ซึ่งโดยความเชื่อได้บรรลุถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทําและโดยความเชื่อนั่นเองทําให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อคนแรกนั้นก็คืออาเบลครับในข้อที่สี่ อ่านได้ความอย่างนี้โดยความเชื่อนั้นอาเบลจึงได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรมคือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่านโดยความเชื่อนั้นแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่พี่น้องครับมีสองสามประเด็นที่ผมอยากจะเรียนนําเสนอพี่น้องผู้ฟังในเช้าวันนี้ ที่น้องครับผู้เขียนฮีบรูนั้นเริ่มต้นตอนแรกเริ่มปบดศาสตร์ของมนุษย์เลยครับก็คือลูกของอาดัมและเอวาก็คืออาเบลโดยความเชื่อนั้นอาเบลได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคายินมาถวายพระเจ้าตรงนี้เองครับมีคนที่สงสัยมากมายเลยเกินว่าพระเจ้าต้องการเครื่องบูชาแบบไหนนะที่น้องครับถ้าเรากลับไปอ่านพระเจนะของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่สี่ เราจะเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นได้บันทึกนะครับว่าอาเบลกับเครื่องบูชาของเขานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวของคนคนนั้นบวกกับเครื่องบูชาทําให้พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าจะเป็นเครื่องบูชาแบบไหนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของคนที่ถวายบูชานั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอาเบลนั้นเป็นคนชอบธรรมในขณะที่คายินนั้น ไม่ได้เป็นเงินชอบทำเครื่องบูชาของเขานั้นจึงไม่สามารถนะครับจึงไม่สามารถที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้เพราะฉะนั้นการถวายบูชาของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดีกว่าของที่เราเอามาถวายเพียงครับกลับมาถึงเรื่องของอาเบลอาเบลนั้นได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาญินมาถวายพระเจ้า ถึงแม้ว่าในสมัยของอาเบลนั้นไม่มีพรอเจนะของพระเจ้าที่เป็นลานลักษณ์สอนแต่อาเบลก็ตระหนักดีถึงพรอเจนะของพระเจ้าที่เป็นคําตรัสเขาทราบดีนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนานะครับที่สุดนะครับซึ่งเล็งถึงการชิ้นพระชนของพระเยซู บ, บนแมงเขนนั่นก็คือเครื่องบูชาที่เป็นโลหิตอาเบลนั้นก็ได้เข้าใจเรื่องนี้และเขานั้นได้มีชีวิตอยู่ภายใต้การ สารภาพบาปการกลับใจใหม่และการขอการอภัยโทษจากพระเจ้าแต่คาอินไม่ได้ทำแบบนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นวอลีที่ว่าเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานก็แปลได้ว่าโดยเครื่องบูชานั้นรับรองเกี่ยวกับความเชื่อของเขาพี่น้องครับแม้ว่าอาเบลนั้นนะครับเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรนะครับเขาก็ได้ถวายแต่คาอินนั้นเขาไม่สนใจว่าพระเจ้าต้องการอะไร นะครับเพราะฉะนั้นตั ว, ข, ข, อวตของเขาเนี่ยนะครับหรือชีวิตของเขาเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ทําให้เครื่องบูชาของเขาไม่เป็นที่พอประทัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการตีความหมายการแปลความที่ผมคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลที่สุดเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อของอาเบลนะครับโดยการที่เขารู้ว่าพระเจ้านะครับต้องการการกลับใจใหม่ต้องการการสารภาพบาปต้องการการ ค v อ r หรือการปกคลุมของโลหิตนะครับซึ่งเล็งถึงพระวรากายของพระเยซูที่จะต้องชิ้นะชนบนไม้กังเขนและหลังพระอุหิตของพระองค์ออกมาเพื่อการลบล้างแบบอาเบลได้ซําทำสิ่งที่ชอบพระไทยของพระเจ้าประเด็นที่สำคัญที่สุดอีกตอนหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่ง นะครับจะทําได้ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็คือแม้ว่าเขาตายแล้วแต่ชีวิตของเขานั้นก็ยังพูดอยู่ยังเป็นตัวแบบให้คนถอดนะครับถอดบทเรียนนะครับเป็นตัวอย่างให้เป็นคนให้ให้คนถอดบทเรียนอาเบลนั้นได้ทําสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับทำโดยความเชื่อนะครับจึงเป็นคําพยานมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับเมื่อเราตายไปนะครับชีวิตของเรายังพูดได้อยู่หรือเปล่า ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจน้ำาัย์ของพระเจ้าและรู้ว่าอะไรที่จะทำให้เราตายไปแล้วชีวิตของเรายังพูดอยู่เมื่อถึงตรงนี้นะครับผมได้คิดถึงคนคนหนึ่งครับที่ในสมัยเด็กๆผมได้อ่านประวัติของท่านนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าด็เตอร์ทรงยังพูดอยู่และหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติ ของด็ตรจอนซงนะครับและคําเทศนาของท่านพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เรานะครับผ่านชีวิตของเราออกไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยู่ยั่งยืนยงที่สุ ด, ช, ดชีวิตของพวกเราที่ถูกสร้างเราก็จะเป็นพยานถึงผู้สร้างนะครับเราเป็นพยานถึงผู้เลี้ยงเราเป็นพยานถึงศีบาะหรือคนที่ดูแลเราพี่เลี้ยงของเรา หรือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณดูแลชีวิตของเราเนั่นแหละครับหลังจากที่คนนั้นตายไปแล้วนะครับคนคนนั้นยังพูดอยู่นั่นคือชีวิตของท่านนั้นเป็นพยานเป็นต้นแบบและเป็นผู้ที่เราสามารถถอดบทเรียนจากชีวิตของท่านพี่น้องครับอยากจะให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องและตัวกับผมเองเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นเมื่อเราตายไปแล้วคนก็ยังได้รับบทเรียน ขอบคุณพระเจ้าและขอบพระเจ้าทรงนำพี่น้องอาเมน